สองร้กรรมจึงเป็นผู้บันดาลตนเองตามกรรมของตนเองยิ่งกรร ม, มโยนี้คือเกิดจากกรรมหรือกรรมของตนนี้แหละที่ทำการเกิดอย่างนั้นอย่างที่เราทำมานั้นคือชั่วมาเกิดกับเราจึงคือกรรมของตนนั้นเอง ที่บันดาลตนเองเกิดตนเองเป็นกรร ม, มโยนี้ไม่มีใครใดอื่นมาบันดาลตนเองได้แท้จริงยิ่งกว่าตนเองเลยกรรมจึงเป็นเชื้อพัน์สายพัน์เผ่าพัน์ของตนเองในศาสนาพุทธกรรมทุกกรรมจึงเป็นอำนาจแท้ที่เป็นของจริงความจริงยิ่งใหญ่จริง โดยมีลักษณะตรีมูรติพร้อมทั้งความเป็นรามคือพระผู้สร้างมีพร้อมทั้งความเป็นศิวะคือพระผู้กรรมจัดหรือปราบมีทั้งความเป็นพรหมคือพระผู้เมตตาการุณามมทิตาอุบเบกขาดังที่เคยสาธยายมาแล้วซึ่งผู้บรรลุธรรมจริงมีพฤติกรรมตรีมูรตินี้จริง จึงมีความเป็นภาวะพระเจ้าทั้งสามชนิดนี้ในตนจริงๆซึ่งสามารถเชื้อเชิญให้ใครๆมาพิสูจน์ของจริงความจริงนี้ได้เอฮิปัสิโกว่ามีอาการของจิตวิญญาณยืนยันภาวะตรีมูรติในคนจริงๆ